ราสมัยก่อนก็ให้ของขลังราสมัยนี้ก็ให้วัตถุมงคลมองลึกลงไปต่างกันอย่างไรเรื่องการทำของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านหลายท่านพิจารณาแล้วก็บอกว่าพระเก่ า, เาสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันเนี่ยท่านก็ให้เหมือนกันก็เลยต้องขอโอกาสพูดว่าไม่เหมือนกัน พระสมัยเก่าของเราก็มีการให้ของขลังเหมือนกันมีพระที่เรานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์อาจจะเรียกว่าเก่งทางศิยศาสตร์ก็ได้ท่านมีเวทมนต์อะไรต่างๆแต่ความนับถือสมัยก่อนพร้อมทั้งพฤติกรรมของพระสงฆ์เหล่านั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันถอยลังไปแค่สัก 40- ถึงห้ปีเท่านั้นจะต่างจากสมัยนี้จะขอเล่าเรื่องตัวบุคคลมาเป็นตัวอย่างก็แล้วกัน ตัวอย่างนี้ขอนำเรื่องหลวงพ่อของกระผมเองมาเล่าคือหลวงพ่อวัดบ้านกลางวัดบ้านกลางนั้นเป็นวัดหนึ่งที่มีชื่อในเรื่องพระคลังหลายท่านรู้จักพระคุณแผนวัดบ้านกลางหลวงพ่อวัดบ้านกลางที่ผมจะเล่านี้เป็นอุปชาตอนกระผมบวชเนนแต่ท่านอยู่บับนี้ก็อายุเกินร้อยไปแล้วแต่ท่านถึงวรรณภาพไปแล้วเมื่ออายุประมาณ90ปี ท่านเป็นที่นับถืออย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ที่ขลังมากชาวบ้านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจถูกผีเข้าถูกทำคุณใสก็มาหาท่านท่านก็ช่วยแก้ไขให้หลวงพ่อวัดบ้านกลางเป็นที่นับถือมากจนกระทั่งว่าเวลาท่านจะทำอะไรคนก็พร้อมเปรียงกันมาให้แรงงานเต็มที่แม้กระทั่งจะย้ายวัดคือย้ายเสนาสนะอาคารทั้งวัดไปตั้งในที่ใหม่ก็ไม่ต้องรื้อออก แต่ใช้กำลังคนมือเปล่ายกกุฏิและหอสวดมนต์เป็นต้นเดินไปวางในที่ที่ต้องการเช่นยกหอสวดมนต์ใหญ่ญาติโยมก็ให้ช่างมาตัดเสาวไว้แล้วก็เอาไม้ไผ่ขันขนาบเสาและผูกเพิ่มในระหว่างให้ทีพอให้คนลงไปยืนยกไม้ไผ่ช่องละคนพอถึงวันนัดประชาชนก็มาเต็มหมดเมื่อพร้อมกันแล้วก็ให้สัญญาณ คนจำนวนพันก็ยกหอสวดมนต์ยกหอะระฆังยกกุฏิไปทั้งหลังเดินไปเลยเหมือนหอสวดมนต์และกุฏิเป็นต้นเดินได้ก็สำเร็จนี่ก็เพราะความเชื่อความศรัทธาทีนี้ที่ว่าท่านมีชื่อในเรื่องขลังนั้นจะเรีย ว, วัดของท่านเป็นอย่างไรปรากฏว่าในชีวิตประจำวันท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังเลย มนคถาไม่เคยพูดถึงสิ่งที่ท่านทมคืออะไรคือสอนธรรมะสอนชาวบ้านว่าควรจะประพฤติตัวอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรท ร, รมาหากินอย่างไรอยู่ร่วมกันอย่างไรสอนลูกศิษย์ปลายพระสงฆ์ว่าควรจะตั้งตนอยู่ในธรรมวินัยอย่างไรสิ่งที่ท่านทมก็คือการสอนธรรมะ แต่เวลามีชาวบ้านหรือลูกศิษย์คนไหนเกิดเหตุร้ายผีเข้าถูกทำคุณใสยอย่างที่ว่าเมื่อกี้มาหาท่านท่านก็ทำให้เฉพาะตัวเฉพาะรายแก้ไขบัมบัดปัดเป่าให้เขาพ้นจากภัยอันตรายเหล่านั้นไปได้ก็จบเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตขอเล่าต่ออีกนิดหนึ่งของดีของท่านเช่นพระเครื่องเนี่ยอย่าว่าแต่จะเอาปัจจัยไปถวายเลย ไปขอก็ไม่ให้ถ้าท่านจะให้ท่านให้เองท่านพิจารณาก็คงเหมือนกับพระโบราณทั้งหลายเวลาลูกศิษย์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะย้ายถิ่นฐานไปทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าเป็นคนดีท่านพิจารณาแล้วท่านก็เรียกมาเฉพาะตัวแล้วก็บอกว่าเธอน่ะเป็นคนดีตอนนี้เธอจะไปอยู่ในถิ่นฐานอื่นฉันจะให้ของดีไว้คุ้มครองเอานะ พระองค์นี้เอาไปรักษาไว้แล้วขอให้พระพฤติตัวให้ดีตั้งใจขยันมันเพียรทำมาหากินโดยสุจริตดาเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรมจงทาความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่าทาความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นกากับศีลธรรมไปเสร็จของดีนั้นเมื่อลูกศิษย์ ร, รับไปแล้วก็เก็บไว้เป็นของสำคัญพระอุปชาอาจารย์ให้มา เก็บรักษาไว้อย่างดีจนกระทั่งถึงรุ่นลูกตัวเองแก่แล้วหรือลูกโตแล้วก็มอบให้ลูกแล้วก็จะกำกับและกำชับแบบเดียวกันเช่นว่าพระนีอุปชาของพ่อให้มาหรือปู่ใหมาพ่อเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดเวลานี้ลูกโตแล้วพอจะให้ลูกไว้คุ้มครองตัวขอให้ตั้งใจประพฤติดีตั้งใจธรมาหากินและเก็บรักษาพระนิไวให้ดี จากนั้นลูกก็มอบให้ลูกของลูกต่อไปอีกรากหรือของดีนั้นก็จะสืบทอดกันไปทั้งเป็นของที่หาได้ยากและสืบสายไปในวงตระกูลเท่าที่เล่ามานี้ทำให้มองเห็นความหมายอย่างไรบ้างและลองนำมาเทียบกับสมัยปัจจุบันสิ่งที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือ เราจะเห็นว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคลังสมัยก่อนนั้นยังมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นแกนที่ปรากฏเด่นชัดก็คือธรรมะหรือคำสอนสิลธลรทรการทําความดีเว้นจากความชั่วอันนี้เป็นหลักส่วนของคลังศยลศาสตร์เป็นของที่พ่วงอยู่แอบอยู่และเป็นสื่อหรือเป็นสะพานทอดเปิดทางให้แกธรรมะ ลักษณะสำคัญที่ควรสังเกตสประการคือประการที่หนึ่งของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศยศาสตร์เหล่านี้ประสมัยก่อนท่านรู้ไว้มีไว้และให้เพื่ออะไรขอใช้คำว่ามีไว้สำหรับปิดช่องความหวั่นใจพุทธศาสนิกชนชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นปุถุชน สภาพจิตของปุถุชนย่อมมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือความไม่มั่นใจเกี่ยวกับความเป็นไปในชีวิตความที่ยังหวาดในอำนาจเร้นลับที่มองไม่เห็นถึงแม้มาเป็นพุทธศาสนิกชนและเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังอดหวาดกังวลไม่ได้มหาลวงพ่อท่านสอนธรรมะให้ตัวเองฟังแล้วในใจก็ยังหวนอยู่นั่นแหละเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมา ก็ยังห่วงยังหวาดอยู่ว่าจะมีอะไรเร้นลับที่บันดาลมีเทพเจ้าหรือผีสางกลัน่นแกล้งหรืออาจถูกผู้นั้นผู้นี้ทำคุณใสให้เพราะฉะนั้นก็กังวลไม่สบายใจทีนี้ถ้ามาหาพระแล้วพระได้แต่สอนเอาสอนเอาให้ธรรมะไปตัวเองก็เชื่อตามนั้นแต่ความหวั่นใจหรือความหวาดก็ยังมีอยู่ ไม่แน่ใจเต็มที่กลับไปบ้านแล้วคิดกลับไปกลับมาดีไม่ดีก็นึกขึ้นว่าเออเราเอาอะไรประกันตัวปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าก็เลยดอดไปหาหมอผีไปหาหมอศยศาสตร์พอไปหาแล้วหมอผีหรือหมอศยศาสตร์ก็อาจเรียกร้องเงินทองมากและบางทีเรื่องไม่หยุดแค่นั้นหมอผีศยศาสตร์อาจจะบอกให้ทาอะไรต่ออะไรต่อไปอีก ดีไม่ดีก็ชักจูงออกจากพระศาสนาไปหลงติดในเรื่องอย่างนั้นหรืออาจจะให้ทำสิ่งที่เป็นเรื่องเลวร้ายที่เป็นเรื่องของกิเลสโลภะโทสะเช่นบอกว่าคนเนี้ยเขาทำเธอมานะต้องแก้แค้นต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นพระของเราจึงต้องมีไว้บ้างบางองค์ต้องเป็นผู้ที่เก่งกว่าพวกหมอผีคุณไสเหล่านั้น แกทำได้ฉันก็ทำได้แต่ฉันทำในแง่ดีอย่างเดียวเป็นเรื่องคุณอย่างเดียวแก้ไขอย่างเดียวแก่ทำมาฉันแก้ได้ให้เก่งกว่าพวกผีใสเหล่านั้นตามแนวที่ว่ามีฤทธ์ไว้ปราบฤทธิ์เพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรพอมาที่พระแล้วท่านปิดช่องให้เสร็จมาแล้วสบายใจไม่ต้องไปหาหมอผีอีกก็หมดเรื่องกันไป และยังสอนธรรมะหรือหลักศิลธรรมขมวดท้ายไปด้วยจึงเป็นการปิดช่องความหวั่นใจให้แก่พุทธศาสนิกะชนแต่ท่านใช้แค่เป็นเครื่องปิดช่องความหวั่นใจเท่านั้นเข้าทานองคติที่ว่าเอาฤตปราบริตปราบเสร็จแล้วก็เอาธรรมะให้เพราะฉะนั้นเรื่องผีสางคุณใสจึงไม่สามารถเกลื่อนกลาดดาดดาไปแน่นอน เราว่าตัวหลักยังคุมอยู่คือธรรมะวินัยได้แก่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวหลักเป็นตัวปรากฏเด่นอันหนึ่งยังมีเหตุผลสำคัญที่พระของเราสมัยก่อนต้องใช้วิธีนี้และการที่เรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่ทั้งที่คนไทยแทบทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา เหตุผลแรกก็คือความเชื่อผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนับถือศาสนาพราหมนั้นมีอยู่ในสังคมไทยก่อนพระพุทธศาสนาจะเข้ามาด้วยซ้ำไปความเชื่อเหล่านี้ยังไม่หมดไปก็อยู่คู่กันมากับพระพุทธศาสนาเหตุผลใหญ่ข้อต่อไปก็คือพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับศรัทธาไม่ใช้กาลังหรือวิธีการบีบบังคับคนให้เขาเปลี่ยนความนับถือ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและปัญญาเป็นสิ่งที่บังคับยัดเยียดใส่ให้กันไม่ได้ต้องค่อยๆสอนค่อยๆแนะนากันไปพระสงฆ์จึงต้องยอมรับคนเหล่านี้ตามที่เขาเป็นอยู่แล้วเข้าไปสั่งสอนแนะนำเขาด้วยเมตตากรุณาค่อยๆช่วยให้เขาพัฒนากำลังใจและปัญญาขึ้นมาเมื่อเขาพัฒนาขึ้น เขาก็จะละเลิกความเชื่อถือเหล่านั้นไปได้เองข้อสำคัญอยู่ที่พระจะต้องยอมเหนื่อยยอมอดทนมีเมตตากรุณาตั้งใจคอยให้ธรรมะไม่ละทิ้งหน้าที่ธรรมทานนี้ในระหว่างนั้นก็คอยปิดช่องความหวั่นใจให้เขาไปตามความจำเป็น พระ บ, บางองค์อาจจะสอนเก่งจริงจนทำให้คนจำนวนมากมีกำลังใจเข้าถึงปัญญาชนิดข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ทีเดียวเลยแต่ในหมู่ชาวบ้านก็ยังจะมีคนที่อ่อนกำลังใจอ่อนปัญญาที่ต้องปิดช่องหวันใจอยู่นั่นหละเรื่องฤทธิเดชก็จึงยังมีอยู่เพียงแต่ว่าตัวพระเองจะต้องไม่เสียหลักฤทธิเดชจะต้องถูกมองเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด และต้องเป็นเครื่องสื่อธรรมะจะให้เด่นขึ้นมาบางธรรมะไม่ได้เป็นอันขาดประการที่สองก็คือพระเครื่องของขลังวัตถุมงคลเหล่านั้นสมัยก่อนไม่มีราคาไม่มีค่าเป็นเงินทองจะให้ก็ให้ยากอย่างที่ว่าเช่นให้ต่อเมื่อเห็นว่าประพฤติดีแล้วก็ให้ปลอบเปล่ า, ลาข้อนี้มาเทียบกับปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นอย่างไร ปัจจุบันนี้มีราคาเป็นเงินเป็นทองจนบางทีจะกลายเป็นสินค้าประการที่สก็คือเป็นสิ่งเรียกร้องข้อกำหนดทางศิลธรรมเวลาจะให้ท่านจะบอกว่าเธอต้องเว้นความชั่วอันนั้นต้องเว้นความชั่วอันนี้ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระจึงจะคุ้มครอง เมื่อประมาณห้าสิบปีมาแล้วที่อำเภอสีประจันมีท่านขุนผู้หนึ่งเก่งมากในการปราบโจรชื่อขุนสีประจันรักษาเรื่องลือกันว่าท่านขุนมีของดีหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันวันหนึ่งท่านขุนสีไปปราบโจรแต่ถูกยิงตายอ้าวทาไมละ่ะชาวบ้านเลือกันแซดว่าตอนนั้นไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นท่านขุนสีโกรธโจรขึ้นมาก็เผลอไปด่าแม่โจร พอด่าแม่โจรปับ๊บโจรยิงมาปังเดียวตายเลยก็บอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างความเชื่อในของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมากับคุณธรรมความดีต้องเรียกร้องศีลธรรมเวลานี้เป็นอย่างไรไม่มีการเรียกร้องศีลธรรมมีแต่เรียกร้องโชคลาภอย่างเดียวต้องการโชคลาภก็เอาเงินไปเช่าไปซื้อเอามา เป็นนั้นว่าแค่นี้ก็จะได้โชคลาภก็หมดเรื่องกันศิลธรรมไม่ต้องประพฤติกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินแล้วแถมไม่มีคุณค่าทางศิลธรรมจริยธรรมตรงกันข้ามกับสมัยก่อนหมดเลยวิปริตพันแปรกันไปประการต่อไปวัตถุมงคลเหล่านี้สมัยก่อนเป็นของหายาก พร้อมกับพวกเอาคุณค่าอย่างสูงทางจิตใจไว้กับตัวด้วยแต่มาสมัยนี้กลายเป็นของหาง่ายเกลื่อนกลาดมันตรงข้ามกับสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นกว่าจะได้ทีแสนยากครูอาจารย์ท่านต้องเห็นว่าเราประพฤติดีและถึงโอกาสที่สมควรจึงให้นอกจากนั้นยังมีคุณค่าความหมายสำคัญอีกคือเป็นเครื่องผูกพันทางจิตใจ 1. ผูกพันบุคคลที่มีของดีนั้นไว้กับพระพุทธศาสนาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์แต่ไม่แค่นั้น 2. เวลานึกถึงพระที่อยู่ที่คอตัวเองก็ระลึกรู้ตรหนักแก่ใจว่าพระองค์นี้หลวงพ่อพระอุปชาให้นึกถึงพระอุปชาอาจารย์และคำสั่งฝากของท่าน ต่อมาลูกศิษย์คนนี้โตมีครอบครัวแก่ลงมอบให้ลูกให้หลานลูกหลานเวลานึกถึงพระที่ห้อยคออยู่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงปู่ย่าตายายด้วยเป็นเครื่องผูกพันกับบรรพบุุษของตนพร้อมทั้งน้ำใจและคุณธรรมที่ท่านสั่งสอนมาทั้งหมดนี้ไปด้วยกันหมดเลยแต่ปัจจุบันคุณค่าเหล่านี้กำลังจะหมดไปหายไป เวลานี้ความหมายอะไรเหล่านี้แทบจะไม่เหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าสมัยก่อนก็มีของขลังระเครื่องเป็นต้นแต่ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วกับที่มีในสมัยก่อนมันวิปรารถคลาดเคลื่อนออกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะมีให้ถูกต้องให้ได้หลักของโบราณ อย่าไปดูถูกคนโบราณว่าไม่ได้ความนึกว่าท่านก็มีของคลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์แต่ที่จริงเราแพ้ท่านแน่นอนท่านมีหลักแต่เราไม่มีหลักเลยเราไม่สามารถและไม่คิดจะใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นสื่อนําเข้าสู่ธรรมะฝ่ายหนึ่งก็คิดจะหาลาบอีกฝ่ายหนึ่งก็หวังจะได้โชคลาบอยู่ใต้ครอบงําของระบบผลประโยชน์กันหมด ถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังเหล่านี้ยังเป็นเครื่องเรียกร้องข้อกำหนดทางศิลธรรมอยู่มันก็ยังมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอยู่นอกจากนั้นยังเป็นสื่อนำหรือโยงเราเข้าสู่ธรรมะด้วยโดยเฉพาะในเวลาที่ท่านให้ของดีและท่านถือเป็นโอกาสที่จะสั่งสอนธรรมะนั้นคนที่จะเอาของดีจะตั้งใจฟังธรรมะที่ท่านสอนอย่างจริงจังเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องที่ว่ามานี้เป็นเรื่องที่ขอนามาเล่าให้เห็นว่าสภาพความคลาดเคลื่อนทั้งจากหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งจากประเพณีนิยมในสังคมไทยของเราเองได้เป็นไปถึงขนาดไหนแล้วมันจึงทำให้สังคมของเราวิปริตผันแปรไป